ทนมงคลข้อที่10เลยนะมงคลข้อที่10ว่าวาจาที่เว้นจากโทษมีมู้สาวาฏเป็นต้นชื่อว่าวาจาสภาสิวะเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นวาจาสภาวะ น, นะนะหรือวาจาที่เจรจาไม่เพ้อเจอก็ชื่อว่าวาจาสภาสิทวะก็คือเว้นจากอะไรเว้นจากคำยาเว้นจากคำเทศ เว้นจากการส่อเสียดคําพูดที่เว้นจากคำหยาบเว้นจากเพอรเจอเรียกว่าเป็นวาจาสุภาษิตนะก็ไม่พูดคําสัตว์ก็คือตรงกันข้ามใช่ไหมดำรงอยู่ในคําสัตว์พูดคําสัตว์พูดคําจริงนะพูดเมื่อไหร่ก็เชื่อมต่อกันเรียกว่าสัจจะสันโทเน้นนะเชื่อมต่อกันรักษาคําสัตว์คําจริงเอาไว้อย่างยาวนะไม่พูดคำหยาบ ถ้าตรงกันข้ามคำตรงงานข้ามกับคําหยาบก็คือพูดไพเราะเนี่ยนะพูดอ่อนหวานเป็นคําของชาวเมืองถ้าไม่พูดส่อเสียดก็คือพูดให้เขาสามัคคีกันถ้าพูดเว้นจากเพอเจอร์ก็พูดอยู่ในสังวรวินัยพูดอยู่ในปหานวินัยพูดตามกาลเนี่ยนะกาลวารีเป็นต้นเนี่ยนะพูดโดยการอย่างนี้ก็เป็นคําพูดที่เรียกว่าสัมมาวาจานะ เป็นวาจาสุภาษิตพระเว้นจากเท็ปเว้นจากซอเสียดเว้นจากคำหยาบเว้นจากคำเพอร์เจอร์อันวาจาสุภาษิตนี้ก็เป็นมงคลดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายกล่าวว่าวาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุดเนี่ยนะเขาบอกว่าวาจาสุภาษิตเนี่ยนะคือวาจาอย่างไรหมายถึงวาจาที่กล่าวถึงการเว้นจากการทําบาป เช่นว่าสรพพาปัสสะการณังเนี่ยนะะคำพูดประเภทนี้นับว่าเป็นวาจาสุภาษิตเพราะเป็นวาจาที่ห้ามการทำบาปทำอกุศลเพราะฉะนั้นวาจาสุภาษิตนี่ก็นับว่าเป็นวาจาสูงสุดเป็นข้อที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าวแต่ทรรมไม่กล่าวไม่เป็นธรรมเป็นข้อที่สองกล่าวแต่ําน่ารักไม่กล่าวคาไม่น่ารักเป็นข้อที่สาม กล่าวแต่คําสัตว์ไม่กล่าวคําหล่อแหละเป็นคําที่4นนะี่นะคพูดลักษณะนี้ก็นับเป็นสัมมาวาจาหรือเป็นวาจาสุภาษิตภาษินี้ก็คําพูดนะคำพูดสุก็แปลว่าดีนะเป็นคําพูดที่ดีมีประโยชน์อย่างมากส่วนในหน้า187เนี่ยนะก็แปลไม่ไม่ประทับใจนักนะ พันในฉบับอื่นๆก็นับว่าแปลแปลดีกว่าท่านบอกว่าในหน้าในหน้าหนะึ่งร้ยหกสสามนเล่มสี่สิบเจ็ดเนี่ยในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะให้ไปดูเล่มสี่สนะิบเจ็ดแทนยหน้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะให้ไปดู เล่ม47หน้า163แทนคื อ, อในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะแต่แต่แปลคนละอย่างแต่ว่าในเล่ม47นี้แปลดีกว่าว่าแม้วาจาสุภาษิตธรรมนี้พึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสองก็เพราะเหตุที่วาจาสุภาษิตนี้นับเนื่องอยู่ในวินัยอยู่แล้วนั่นเองถ้าหากว่าจะจะพูดถึงเฉพาะว่าสัมมาวาจาสี่นะ เว้นจากคำเทศคำยาเพอร์เจอร์ซอเสียเนี่ยถ้าแค่คำพูดอยู่แค่นั้นก็อยู่ในคำว่าวินโยจะสุสิกขิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนะจึงไม่สงเคราะห์วาจาสุภาษิตด้วยวิเนยะศัพน์นั้นอีกอย่างหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรด้วยความลำบากนี้วาจาเป็นเครื่องแสดงพระธรรมแก่คนเราอื่นเพึ่ทราบว่าเป็นวาจาสุภาษิตนั้นวาจาสุภาษิตในที่นี้หมายถึง การกล่าวพระธรรมเนี่ยนะการกล่าวพระธรรมนั้นการกล่าวพระธรรมนี่เป็นสุภาษิตเพิ่งทราบ ว, ว่าเป็นวาจาสุภาษิตรจริงอยู่วาจาสุภาษิตคือการกล่าวพระธรรมแก่คนเหล่าอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยให้สาท้งหลายได้บรรลุถึงประโยชน์เกือ้อกูลความสุขในโลกทั้งสองและพระนิพพานเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าหากว่า การกล่าววาจาที่เป็นพระพุทธพจน์ที่เป็นพระธรรมคำว่าพระธรรมนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งกล่าวพระธรรมนี่กล่าวยังไงธรรมะหมายถึงอริยสัจจะรำถ้ากล่าวทุกข์เพื่อการทําปริญญาถ้ากล่าวสมุทัยก็เพื่อการละกล่าวนิโรธก็เพื่อทําให้แจ้งกล่าวมรรคก็เพื่อการเจริญคําพูดรวมๆลักษณะนี้แหละเรียกว่าการกล่าวพระธรรมก็คือกล่าวอริยสัจธรรมนั่นเอง หั่นการกล่าวพระธรรมอย่างนี้เนี่ยเป็นสุภาษิตเนี่ยนะเป็นวาจาสุภาษิตเพราะทําให้ได้รับประโยชน์สุขทั้งโลกนี้ประโยชน์สุขโลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์คือพระนิพพานนะประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหั้นพระนิพพานเนี่ยที่บุคคลบรรลุถึงก็เพราะวาจาสุภาษิตอย่างที่พระวังคีสะชื่นชมพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดาอันเกษม เพื่อบรรุพระนิพพานเพื่อทำที่สุดทุกพระวาจานน่นแลเป็นยอดของวาจาทั้งหลายเนี่ยนะคำพูดใดที่เป็นไปเพื่อบรรุมรรคผลนิพพานคำพูดนั้นเป็นสุดยอดของสัมมาวาจาซึ่งวาจาอันนี้เนีย่ยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมตรธรรมจักก็บ ร, รุเท่าไหร่ธรรมจักนะพรญญาโกณธัญะหนึ่งใช่หและพรหมอีกิโกฏ ตรัตตกินากะนี่บรรลุวรรรูปตรัสอนาตะลักษณะสูตรบรรลุเป็นพท่ารหัสเท่าไรห้ารูปตรัส อ, อ, อนุปุพีกถายะกุลบุตรก็บรรลุเนี่ยนะแล้วก็ตรัสอีกครั้งหนึ่งพ่อก็บรรลุพัยาศะก็บรรลุเป็นพท่ารหั์ใช่ไหมแล้วพระ อ, องค์ตรัสที่อื่นๆ อ, อีกเช่นโปรดพัทธวคีก็บรรลุ30โปรดชดินสพี่น้องก็บรรลุหนึ่พ แสดงพรหมนารฏกัสปะชาดกที่สุดประกาศอริยสัจพระเจ้าพิมพิสารพร้อมบริษัทก็บรรลุอีกส1บนหุหดหลังจากนั้นไปอยู่ในเมืองตรัสเรื่องเปรตนะตีโรกุทธกันทสูตรก็บรรลุอีกวันละ 84,000 ี่พเนี่ยนะก็หลายวันด้วยกันแล้วก็ตรัสพระธรรมอย่างอื่นอื่นอีกเนี่ยนะตลอดระยะเวลาสี่้าพันษาก็บรรลุธรรมบรรลุอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ พันพระวาจาใดที่แสดงแล้วเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานทำที่สุดแห่งทุก์ได้วาจานั่นแลเป็นสุดยอดของสัมมาวาจาที่สุดแห่งทุกเนี่ยทุกไหนทุกในวัตตะในนะทุกในว ต, ตะที่สุดแห่งวัตทุกขหมือ น, นะวั ต, ตะนี้เป็นชื่อของอะไรโดยศัพนะวัตตะเขาบอกว่าบางท่านแปล ง, ง่ายดีบอกว่าวนนะนะมันวนเพราะวัตตะนี้ปกติมีสาใช่หมหนึ่ง กรรมวัตสองวิปากวัตสกิเลสวัตกรร ม, มวัตเป็นเหตุแห่งวิปากวัตวิปากวัตโดยมากเป็นเหตุแห่งกิเลสพอกิเลสก็มาทำำํากรรมแก้ตรงไหนถ้าจะตัดวตะตัดที่ไหนตัดที่กิเลสถ้าตัดกิเลสก็เป็นอัน ตัดกรรมถ้าสิ้นกรรมก็ถือว่าเป็นอันสิ้นวิบากเพราะฉะนั้นกิเลสนี่เป็นตัวที่สาคัญที่สุดนั้นอยู่ที่การละกิเลสคำพูดใดที่เป็นไปเพื่อตัดกิเลสที่เป็นเหตุให้ละกรรมถ้าละกรรมก็เป็นอันละวิบากละวิบากวาจาใดที่เป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งวัตทุทุกทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเป็นสุดยอดแห่งวาจาทั้งหลาย ถ้าฟังอย่างนี้นะใครที่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็ถือว่าได้อ่านสุดยอดของวาจาทั้งหลายสุดยอดของวาจาสุภาษิตไม่มีสุภาษิตใดจะดีกว่านี้อีกแล้วฉะนั้นการอ่านพ uh, ระไตรปิฎกก็นับว่าเป็นการอ่านวาจาสุภาษิตการฟังพระไตรปิฎกก็เป็นการฟังวาจาสุภาษิตนี่จึงเป็นมงคลมันผู้ที่กล่าววาจาสุภาษิตก็เป็นมงคลผู้ที่ฟังวาจาสุภาษิตก็จะเป็นมงคลข้างหลังๆอีกต่อไปเนี่ยนะก็ เพราะว่าวาจาสุภาษิตนี้สามารถทำให้พ้นจากความทุกข์บรรลุถึงความสุขทั้งหมดที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดเราเรียนไปได้กี่มงคลแล้ว ส, สิบมงคลนะพอทวนได้ น, หนนะหนึ่งไม่ครบคนพานสองโโการครบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชา ส, สี่อยู่ในปฏิเรศที่สมควรห้า เพกตะปุญญาตาคือเป็นผู้มีบุญเก่าทำไว้ดีแล้วต่อไปอัตตะสัมมาปณิทิข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อ6แล้วใช่ไหมข้อ7พาหุความเป็นพะหูสูตร 8, ตร8ศิลปะคือมีศิลปะ 9, 9วินัยนที่ศึกษาดีแล้วส0บวาจาสุภาษิตเอนี่สงสัยไม่ถึงอาทิตย์ลวมักงนี่จะจำได้กันหมดแล้วเนี่ ได้ตั้งครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะพรุ่งนี้จําได้หมดเลยอันนี้พรุ่งนี้ก็ทานเฉลย น, นะมงคลสามสิบแปดเพราะนั้นภาคการศึกษามไม่สู้มียากนักใช่ไหมยากที่ภาคปฏิบัติต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าการฟังมงคลการทรงจํามงคลก็นับว่าเป็นมงคลใช่ไหมถ้าปฏิบัติมงคลจนบรรลุมรรคผลก็นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งตอนท้ายนี้ก็อยากให้ถามตัญหาบ้างนะเพราะว่ามงคลต่อไปก็คงเป็น วันพรุ่งนี้บ้างะนะได้ตั้งสิบมงคลแล้วก็มีใครจะสนทนาเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังก็ได้นะไม่ถามก็ไม่เป็นไรอยากจะเล่าอะไรให้ฟังก็ได้หน้าหน<ม>ึ่งร้อยหกสิบสามอ่าส่วนคาถาต่อไปก็มาตาปิตุอุปทานาังปุตตะทารสังกโหเนี่ยนะ มีีเอ่อมีเรื่องจะเล่านิดนึงเมื่อตอนที่ไปเอ่อไปทาบุญที่วัดอโศการามนะคะมีคุณแม่คนหนึ่งที่ที่พวกเรานับถือกันเอ่อท่านก็เป็นอุบาสิกานับเอ่อถือเสียงแปกเกือบจะตลอดชีวิตนะแล้วท่านก็มีเอ่อท่านก็นั่งสมาธิเก่งอะไรเงี้ยค่ะ นี่มีรุ่นน้องคนหนึ่งอะ่ะเขาท้องแล้วก็ใกล้จะคลอดแล้วเธอก็ไปขอว่าคุณแม่แถมมีคาถาดีๆมาให้คลอดลูกง่ายๆคุณแม่ก็บอกว่าเอาคาถานี่สิลูกมาตาปิตุอุปทานังเอตมังคารมุตมังท่องทุวานทุกวนัน <laughs> <laughs> จะได้คลอดลูกง่ายว่าอย่างนั้นคนะ อาจารย์เห็นด้วยมาคอมมายังเรียนไม่ถึงเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ติดตามนะเจนพรแต่ว่าแตา่คาถาอื่นเนี่ยยะโตหังพคินิอริยายะชาติยาชาโตอันนั้นก็ขอพบมันนะแต่ว่ามาตาปิโตุปัฏฐานังนี่ก็ยังเรียนไม่ถึงเนี่ยก็ลังได้ยินนี่แหละ แ ต, แต่คุณแม่นี่ก็ตั้งใจให้จริงๆคุณลูกก็คงไปท่องนะเพราะว่าคลอดง่ายหรือคลอดยากเนี่ยนะปัจจัยแม่ตั้งก็ยางว่านะคาถายอย่างเดียวบางทีก็ช่วยไม่ได้ด้วยนะต้องไปคุยกับหมอกับพยาบาลด้วยอีกศูนย์ที่แพทย์จะไม่จะมีมีไม่ไมีมมมอาชีพใช่ <laughs> แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะที่เป็นมงคลเนี่ยซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญผู้ใดที่ตั้งอยู่ในมงคลนะวิธีคิดง่ายๆว่าผู้ที่ประสบความเจริญที่เรารู้จักเห็นเห็นเนี่ยเราลองไล่ดูเลยจะมีมงคลในตัวเขาตั้งหลายข้ออันนี้ไม่ใช่วัตถุมงคลนะไม่ใช่มีวัตถุมงคลวัดโนนวัดนี่มานะไม่ใช่แต่คนที่มีความเจริญในชีวิตเนี่ยไล่เถอะเขาจะมีมงคลกัน น, นะมีมงคลเนี่ยคนละมากๆด้วยซ้าไป ที่เขาเจริญได้แต่ว่าถ้าใครเสื่อมเลยนะถ้าใครเป็นคนที่เสื่อมหาความเจริญไม่ได้แล้วไล่ไปเรื่อยๆนะจะเจอความอัปมงคลในตัวนี้ตั้งหลายข้อนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราทรงจำเนี่ยมงคลสาได้นะเป็นเครื่องตรวจสอบคนทั่วๆไปได้เป็นอย่างดีว่าที่เขาเสื่อมนี่เพราะเขามีอัปมงคลในตัวตั้งหลายข้อกับคนที่เจริญเจริญที่ได้ดิบได้ดีทั้งหลาย เขามีมงคลอยู่ในตัวตั้งหลายข้อเพราะฉะนั้นมงคลนี้เป็นเครื่องวัดเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมได้เป็นอย่างดีว่าผู้ที่ขาดมงคลเหล่านี้เป็นผู้ที่พ่ายแพ้เป็นผู้ที่ปราชัยเป็นผู้ที่ถึงแต่ความเสื่อมโดยส่วนเดียวส่วนผู้ที่ประกอบด้วยมงคลเหล่านี้เนี่ยนะนับตั้งแต่เขาไม่คบคนพานเป็นต้นเนี่ยนะก็นับว่าเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญโดยส่วนเดียว กรานมรการคุณเจ้าใช่ค่ะการเรียงมคนทั้ง38นี้เรียงตามความเสื่อมมากไปเลยหรือเปล่าใช่คะเพราะว่าถ้าข้อหนึ่งเนี่ยการครบคนผา น, นี่ก็เป็นปัจจัยให้ไม่คบไม่ไม่ได้อย่างอื่นอีกเลยหรือเปล่าใช่คะการเรียงอันที่จริงการไม่ครบคนผานกับการครบบัณฑิตเนี่ยคือสิ่งเดีย ว, ยวกันนะ<ช>อันที่จริงก็คือสิ่งเดียวกัน เพราะผู้ใดครบคนพานก็ชื่อว่าไม่คบบัณฑิตใครที่ครบบัณฑิตก็ชื่อว่าไม่คบคนพานแต่ที่สําคัญอยากจะให้ให้ดูบทสรุปเกี่ยวกับมงคลที่อัตถกถาท่านเรียงให้ดูดับเลยนะเปิดในหน้าสองร้อยสิบสามย่อหน้าข้างล่างสุดว่าหน้าสองสิบสามนะลองดูนะให้เห็นความสัมพันธ์ของมงคลว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขในโลกนี้และโลกหน้า หรือปรารถนาโลกุตระสกขก็ตามข้อแรกสำคัญที่สุดการคบคนพานเซียอาศัยแต่บัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอันอยู่ในปฏิรูประเทศและความเป็นผู้ทาบุญไว้ในก่อนตักเตือนในการบำเพ็ญกุศลตั้งตนไว้ชอบมีอัตภาพอันประดับด้วยพหุสัจจะศิลปะและวินยัยกล่าววาจาสุภาษิตอันเหมาะแก่วินยัย ยังไม่ละเพศครืหัดตราบใดก็ชำระมูลนี่เก่าด้วยการบารุงมานดาบิดาประกอบมูลนี่ใหม่คือให้เขากู้นะด้วยการสงเคราะห์บุตรและภรยาถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกด้วยความเป็นผู้มีการงานอันไม่าอากลยึดสาระแห่งโพคะด้วยทันคือหมายคำว่าสาระที่ที่ได้จากโพคะจริงๆก็คือการให้ทัน และสาระแห่งชีวิตด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่แก่ชนของตนด้วยการสงเคราะห์ญาติและประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนอื่นๆด้วยความเป็นผู้มีการงานอันไม่มีโทษงดเว้นการทำร้ายผู้อื่นด้วยการเว้นจากบาปงดเว้นจากการทำร้ายตนเองด้วยการระวังในการดื่มกินของเมา เพิ่มพูนฝ่ายกุศลด้วยความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายและเพศเครหัดด้วยความเป็นผู้เพิ่มพูนกุศลแม้ตั้งอยู่ในภาวะบรรปชิตก็ยังวัดสัมปทาคือประพฤติวัดให้ถึงพร้อมให้สําเร็จด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าและอุปชาอาจารย์เป็นต้นและด้วยความถ่อมตนละความละโมบในปัจจัยด้วยสันโดษ ตั้งอยู่ในปุริสภูมิด้วยความเป็นผู้กตัญยูละความเป็นผู้มีจิตหดหูด้วยการฟังธรรมครอบงำอันตรายทุกอย่างด้วยขันติทำตนให้มีที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่างง่ายดูการประกอบข้อปฏิบัติด้วยการเห็นสมมณะบันเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยด้วยการสนทนาธรรม ถึงศีลวิสุทธิด้วยตบะคืออินทรียสังวรถึงจิตตวิสุทธิด้วยพรหมจันทร์คือสมณธรรมและอย่างวิสุทธิสี่นอกนี้ให้ถึงพร้อมถึงญาณทัศนวิสุทธิอันนี้อริยมรรคนะอันเป็นเหตุปริยายแห่งการเห็นอริยสัจด้วยปฏิปทานี้กระทําให้แจ้งพระนิพพานที่ได้นับได้ว่าอารหัตผลพระนิพพานในมงคลสูตรเป็นชื่อของอรหัตผลนะ ซึ่งครั้นกระทาให้แจ้งแล้วเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำแปดเหมือนสิเนรุบันพศไม่หวั่นไหวด้วยลมและฝนย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศกปราศจากละอองกิเลสมีความเกษมปลอดโปร่งและความเกษมปลอดโปร่งย่อมเป็นผู้แม้แต่ศัตรูผู้หนึ่งให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงทั้งจะถึงความสวัสดีดในที่ทุกสถาน ก็นนะับว่าเป็นผู้ปลอดภัยทุกเมื่อนะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสาัตว์ทั้งหลายกระทำมงคลเช่นที่กล่าวมานี้แล้วเป็นผู้อันมารให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนั้นเป็นมงคลอุดมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อความโดยสรุปของมงคลสูตรที่กล่าวเป็นไปตามลาดับเรียกว่าเป็นเทศนาที่ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะใน่ามกลาง ไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจัรย์พร้อมทั้งอัถะพร้อมพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าเจริญหรือบำเพ็ญศิกขาสามบุคคลเหล่านี้สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างแท้จริงนีคนอื่นถามไหมถ้าไม่มีถามก็จะยุติแต่เพียงเท่านี้สาหรับคืนนี้นะก็เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่นนะก็พบกันกี่โมงนะ แปดโมงครึ่งนะปดโมงครึ่งนะคนเมืองก็ก็คงเพิ่มฉันทะอีกนิดนึงอ่ะนะแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมบําเพ็ญในครั้งนี้นะเอาไหว้พระพร้อมกันเลยนะอ <c oughs> ระหังสัมมาสัมพุทธะพะขวาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอระหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวากาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธมรมนามสาิข้าพระเจ้านามสการพระธรรมกรับโสปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังน้ำมหามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นโมตัสสะภาคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปทาสะนามตัสสะพักวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโต ซึ่งเป็นผู้กลายจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาซาตราสารชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าเขาทิส่วนบุญส่วนกุศลที่ส่วนบุญส่วนกุศล ท, ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้ให้แก่ปุพพการีให้แก่ปุพพการีมีบิดามารดาเป็นต้น ตลอดจนเทพพยดาดาและอม น, นุษย์ทั้งหลายญาตินนาามิตรสหายทั้งหลายจอ ง, งร่วมมนุโมโทน า, าในกุศลครั้งนี้ด้ว ย, ย แ, ลและด้วยกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้จองเป็นอุปนิสัยปัจ จ, ปปปจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตรัสรุพธรร ม, รรรมคือการทำปริญญาในกองทุกข์ได้แก่อุปาทานขันท่าและสมุทัยคือกิเลสตัณหาอหาอวิชาอาสวะทำนิโรธให้แจ้ ง, จงคือพระนิพาน อ, รนานอ บ, บรมเจริญ อริยมรรคมีองค์งแปดถึงมงคลทั้งสามสิบแปดประการทุกคนทุกท่านนะนะ ก, ก, ก็ขออนุโมทนาด้วยนะสาธุมันพระทั้งหลายท่านจะชอบสวดว่าขอให้สัพพมงคลจงมีแก่ท่านก็คือจะให้ได้มงคลทั้งสามสิบปดนั่นแหละนะ เรกว่าภาวะตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาน่นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้สัพพมงคลขอให้ได้มีมงคลทั้งสามสิบแปดเพราะว่ามงคลทั้งสาสิบปดนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญ